แ ล, ปปและปาตาแป่นทิ้งรลากายเขาเข้าไปหาอาหารนั่นเองเวลาเดินบินดาบาทายาทก็ต้องสำรวมทอดจักสุคือในตาลงโชว์แอกหนึ่งมีความสงบสงัดแสดงจริยาเยี่ยงพระทุกอย่างไม่ทำปากยาวไม่ทำตายาวแล้วก็เวลาที่จะรับบาดก็รับบาด้ดยสึกอาการเคารพ รือมังหมายานว่าเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ามีความสงบเงียมเวลาจะเดินบิณฑบาตให้ใช้บทภาวนาและพิจารณาในพระกรรมฐานไปด้วยจะใช้ในด้านสมถะ ภ, ภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้อย่าเดินไปอย่างบุคคลผู้แสวงหาอาหารเหมือนขอทานไม่ใช่อย่างนั้น เราไปเพื่อส่งเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เขาได้บุญนี่ต้องสำรวมให้มากก็ดีสองนุ่งห่มผ้าปังสุกุลนี่หมายถึงว่าการนุ่งห่มผ้าเราจะหามันได้โดยชอบทำและไม่ต้องการความสวยสดงดงามเวลานี้ผ้าปังสุกุลมีน้อยเป็นผ้าที่เขาจัดตวายมีความสบายในเรื่องนี้ แต่ก็จงอยาพุ่มเฟยได้บริการหนึ่งก็จงหยาเป็นผู้มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในการห่มผ้า <c oughs> ไม่จห่มเพยังกิเลสให้เกิดขึ้นเวลาที่จะห่มผ้าก็ต้องคิดไม่ว่าเราจะปกปิดความอายปกปิดความร้อนและความหนาวเท่านั้นเราไม่นุ่งห่มผ้าเพื่อความสวยสดงดงามเพื่อเป็นการยังกิเลสให้เกิดขึ้น สามอยู่คนไม้นี่หมายถึงว่าทำใจให้สงัดท่านว่าอุทุงกายยังปนิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเราจะอยู่คนไม้โดยอยู่ในกุติก็ตามทำใจมันว่าเวลานี้เราอยู่ปางเราเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นซึ่งไม่มีบุคคลอื่นใดเลย ครงนี้เพ่อไ ร, ร่พ่อว่าเราพูดเดียวที่ตายแล้วจะไปนรกกอไปสวรรค์ไปเป็นพรหมหรือ ว, ว่าไปนิพพานก็เราพูดเดียว<อ>การป่วยไข้ไม่สมบายก็ได้กั่เราพูดเดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยป่วยด้วยการแก่เฒ่าชราก็เราพูดเดียวทุกเวทนาใดๆมันเกิดขึ้นก็มีแต่เราพูดเดียวความตายมันเข้ามาถึงก็เราพูดเดียว ความเกิดเป็นคนมีร่างกายมีกันห้าเป็นทุกทุกนั้นก็มีแต่เราผู้เดียวตอนนี้หากว่าเรามันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะก็เราผู้เดียวการเวียนเว่ยตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยเรองความทุกทุกนั้นมันก็กินเราผู้เดียว <c oughs> นี่หากว่าเราปรารถนาพระนิพพานเราจะไปพระนิพพานได้ก็เราผู้เดียวเป็นผู้ไป <c oughs> คำว่าเราพูดเดียวในที่นี้ก็หมายถึงว่าบุคคลผูดด้ใดที่กคจะมาช่วยเราเสีวช่วยเราหนาวช่วยเรากรหายช่วยเราป่วยไข้ไม่สามบายจะมาแบ่งบงังเบาภาระนั้นมันไม่มี <c oughs> นี่น้ำใจของพระต้องทำตนอย่างนี้อยู่ในกลุ่มคนก็ทาใจให้สงดอยู่ในป่าก็ทาใจให้สงบหมายถึงว่าเป็นผู้สงัดจะกินเล็ เพรว่าสังกัดในจารนิวรณ์ห้าเระการที่เราศึกษากันมาแล้วนี่จริยานี้ต้องเป็นไปตามปกติเวลาทำกิจการงานร่วมกันก็คิดว่าเราอยู่พูดเดียวเวลานั่งรวมกันก็คิดว่าเราอยู่พูดเดียวเวลาบริโภคอาหารก็คิดว่าเราอยู่พูดเดียวคำว่าพูดเดียวนี่เราไม่รู้จะพูดกับใคร เราไม่รู้จะคุยกับใครถ้าจะพูดจะคุยก็คุยอย่างพระไม่จะคุยอย่างคนขี้เมา <c oughs> ทำเสียงเออะโวยวายนี่อย่างนี้ก็ไม่เรียกพระเ้าเรียกวติไดชานคาถาคาถาแปลว่าวาจาเป็นเชื่องกล่าวกล่าวอย่างสัติไดฉันคือไม่เกรงใจใครไม่รักษามนาุญาตอย่างสุนนักะ เตือนนกกาไก่ทั้งหลายมันอยากจะขันก็ขันมันอยากจะร้องก็ร้องมันอยากจะเห่าก็เห่ามันไม่ได้คิดว่าแดนนี้เป็นแดนอะไรนั่นจริยาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าติระชานะคาถาถ้าเราเผลอไปทำเข้าจึงรู้ว่า น, นี่เราไม่ใช่คนไม่ใช่พระคาถาที่กวาจาที่กล่าวมามันเป็นวาจาของติระชาน เราก็เป็นอย่างนั้นเราบวชก็มาแล้วเราต้องการความเป็นผู้ประเสริฐถ้าอย่างนั้นมันไม่ประเสริฐในบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรยกเว้นเบเสียอยู่ที่ไหนทำใจมันว่าเราอยู่ในโคนต้นไม้แต่ผู้เดียวอันนี้ก็หมายถึงว่าบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่ในเขตนี้ด้วยเหมือนกันจงอย่าคิดว่าเราเป็นบุคคลคู่อยู่สอง ห้องของใครใครอยู่ห้ามไม่ควรจะมีกิจเข้าไปสู่ห้องคนอื่นถ้าอยาพบปะกันก็ไปนอกห้องของเขาแต่วก็หที่เขาอยู่ในห้องบางทีเขาจะเจริญสมถะกรรมฐ า, านมิปเสนากรรมฐ า, านพิจารณาด้านธรรมวินัยเราก็ไปไปทําลายประโยชน์ของผู้นั้นหรือว่ามิฉะนั้นเขาต้องการพักผ่อน การที่จะของห้องอยู่เงียบเงียบจงอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้ว่างนี่ควรสำรวมให้มากเป็นจริยาและเป็นวิสัยที่เราควรจะทาและการเคารพต่อผู้ใหญ่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเคารพแตะต่อพระธรรมวินัยให้ถือเป็นปกติเป็นวิสัยของเราถ้าเราฝ่าฝืนบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้คนดีและตามที่กล่าวมาแล้วคนดีก็ชี้ว่าเราไม่ใช่สมณนะเราไม่ใช่พระแ้่เราจะเป็นอะไรถ้าแสดงจริยาแบบที่ได้ช้าในคาถ า, าเราจะเป็นอะไรไม่นิฉัยกันเอาเองแต่ถ้าเราทําใจไม่สงบสงดัดเราเป็นอะไรไม่นิฉัยกันเองข้อดีสี ฉันยาดองได้น้ำมุดเน่าในสมัยก่อนเวลานี้ไม่จําเป็นแต่ความจริงถ้าจําเป็นได้ก็ดียาดองได้น้ำมุดเน่านี่โดยมากเขาใช้ลูกสมอแช่น้ำมดุดและเป็นยาที่มีความสำคัญมากมีพระบางคนมีบุคคลบางท่านเคยปฏิบัติเอาลูกสมอมาใส่ไห้ก่อนแล้วก็ถ่ายปัสสาวะลงในนั้นจนเต็ม ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งเดือนจะกลายเป็นน้ำใสกลิ่นน้ำมุดไม่ปรากฏแยายาใสจะอายกินแล้วไม่ปรากฏรสรากอดกลิ่นลูปสมอหรือว่าน้ำมูดเลยท่านบอกว่าแข็งแรงมากแต่ผมเองก็ไม่เคยลองเป็นเพียงว่าท่าน เ, าเก่าๆท่านเคยใช้กันท่านบอกร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษ และโรคภัย ไ, ไข้เจ็บไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กาสมัยก่อนยังอยู่ป่ากันอย่างสบายเขาว่าท่านใช้ยาขนาด น, นี้เป็นปกติที่สำหรับอัจฉริยกิจคือกิจที่ไม่ควรทำ ม, มีสี่อย่างคือหนึ่งเศษมีถุนธรรมร่วมรักระวังสามอสตรีกับบุรุษแม้แต่สตรีช้านตัวเมีย ทางช่องทวารเบาวทวารหนักก็ทางปากกระทำอันนี้ต้องเว้นเด็ดขาดนี่การที่นักปฏิบัติสมถวิปั ส, สนาถึงไม่จะเป็นคารวะก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในเขตนี้พักเลยต้องพักเื้อชขณะหนึ่งยังกว่าจะกลับอไปสู่ที่ของตัว ประการที่สองลักของเขาคือมวยของเชื้อบ้านจะเล็กจะน้อยจะใหญ่ก็ตามเรื่อไม่จต่ของหลวงไม้ในปา่าที่ก็มีภาษียากรที่เขาห้ามอย่าไปทําเขา้าจะถือว่าเล็กแต่ใหญ่ไม่สําคัญประการที่สี่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเจตนาอย่าทําเดยขาดไม่แต่ยุงหรือ ว, ว่ามดเลนไลก็สิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วเป็นบาป และการพูดอะไรพูดพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนได้กการทรงฌานสมาบัติและถึงความเป็นพระอาเรียจาถ้าเราเข้าไม่ถึง<ม>ก็จงอย่าอ้ออวดเขาว่าเราได้กิจสีอย่างนี้บรนพิดไม่การบรรพิตทำไม่ได้ทำไมอย่างนั้นห้ามเด็กขาดไม่ใช่ว่าไม่ควรทำท่านบอกห้ามทำเด็กขาด มีสิกขาของบิสุมีสามอย่างคำว่าสิกขาในกง่สิ่งที่เราจะต้องศึกษาเป็นกฎจำเป็นที่เราจะต้องระพฤตปฏิบัตินั่นก็คือหนึ่งได้แก่ศีลสองสมาธิสามปัญญาศีลได้แก่วินยัยสมาธิปฏิบัติเพื่อทรงสติสมัยชัญญะ ปัญญาใช้ความรู้ใคร่ครวญหาความเป็นจริงควรจะเรียกว่าที่ศีลศิกขาที่จิตสิกษาที่ปัญญาสิกษาปฏิบัติสิงศีลนี้ครบถ้วนเป็นอย่างยิ่งแม้แต่สิกษาบทเล็กน้อยในวินัยเราก็ไม่ดมเมิดทรงสมาธิให้ได้ฌานสมาบาัติ ทำมิปัจนาญาณเพื่อตัดสังโยคคือสกายาติติให้เห็นว่าท่าภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคือว่าชิ้นเชียวโลกกระททั้งหมดเราไม่ยึดถือเราไม่นิยมแต่เราไม่เอาจิตไปเกาะเราจะวางให้เป็นสังขารุเปฆายานันเมื่อกายของทางร่างกายปรากฏขึ้นในด้านทุกขเวทนา ก็ไม่ห่วงใยในขันห้าเพราะเราไม่ต้องการกันห้าเราต้องการพนิพพานนี่รวมความว่าศีลสมาธิปัญญาต้องมีเป็นประจำถ้าไม่มีแล้วถือว่าปฏิบัติไม่ไหวฉะก็แสดงว่าท่านทั้งหลายต้องลงนรกกันแน่ตัวเขตนี้มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน นี่ไม่ใช่คำขอร้องเป็นการบังคับแต่หากว่าท่านปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่ใช่พระสงฆ์ในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัพทะเจ้าที่ผมพูดนี่ไม่ใช่คำสั่งของผมเป็นคำสั่งขององค์สมเด็จตระสัมมาสัพทธเจ้าที่จะกล่าวถึงโทษ โทษจะจะเกิดเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรียกว่าอาบัติคำว่าอาบัตินี่แปลว่าต้อง า, าหมายถึงว่าต้องความชั่วชนกับความชั่วเขาแล้วนั่นเองอาบัตินี้ว่าโดยชื่อมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งประราชิก ประราชิกติขาบทนอยาให้เข้าไปแตะเป็นเด็กขาดแตะมารไรคาดจะความเป็นพระเมื่อนั้นแม้ถึงว่าจะบทใหม่ก็ไม่เป็นพระอยาไปทำเด็กขาดถ้าทำแล้วจะตัดคุณงามความดีที่ท่านทรงไว้แล้วทั้งหมดแน่ดีมีทางสายเดียวที่เราจะก้าวลงไปก็คืออาเวจีมหานรกสังฆาดีเศษ สองเชื่อบัตรประสังกาดิเศษสังฆาดิเศตนี้เป็นส่วนเหลือเหลือที่กำลังที่เราจะแสดงอบัตให้ยับยังได้การแสดงอบัตนะจงอย่าคิดว่าโทษมันหายไปนะมันยับยัง้งยับยังหมายถึงว่าเรายั้งแรงการโทษแล้วเราไม่ทำความชั่วต่อไปแต่หกว่าถ้าเราทำความชั่วต่อไปการกล่าวโทษแบบนั้น ละกายความผิดต่อคณะสงฆ์ก็เชื่อว่าเราเป็นผู้มุสาวาดต่อคณะสงฆ์ช่วยความช่วให้เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ทำใหม่อีกจุดหนึ่งเป็นอันว่าเราเอาดีอะไรไม่ได้ไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนาเชื่อบัตอีกอันหนึ่งก็คือถุนนจัยเป็นโทษรองลงมาจากสังคารดิเศษต่อไปก็ปลายจิตตีแปล่าจิตเป็นบาป ถ้าจิตเป็นบาปก็ลงนรกสบายปฏิเทศิยะนี่แปลว่าต้องแสแดงกลับเและทำคืนทุกกฎแล้วก็ทุกกฎนี่ก็หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ทําให้อารมณ์ต่ําทุกข์แปลว่าไม่สบายไอ้กฎถึงความทําให้เกิดความสุขไม่ได้มันเป็นความทุกข์ลงนรกเหมือนกันทุกพาสิตวาจาชั่ว นี่ไม่ควรทําเป็นชี้อข อ, อําบัติอวบัตทั้งหมดที่ทําไม่ได้เดข็ขาดไม่ว่าศิขาบทไหนที่การได้กล่าวถึงพระวินัยในตอนนี้เรามาปรับปรุงกันใหม่เป็นการกล่าวโดยย่อๆแล้วต่อไปข้างหน้าจะอวบถมบัญญัติมากล่าวให้ฟัง <c oughs> นี่สําหรับอวบัตปรราชิกนั้นบีสตุต้องแล้วขาดจากความเป็นบีสุคนี่ตามแบบท่านไว้อย่างนั้น สังฆารีเศษนั้นต้องแล้วต้องอยู่กรรมจิงจะพ้นได้คำว่ากรรมก็คืออยู่ปริวัตรเก้าวันแล้วก็อยู่มานัตที่เรียกว่าประพฤติวัตรหกวันได้จิงจพนโทษถ้าพ้นแล้วคืนทำใหม่เป็นวาระที่สองคราวนี้สบายแล้วลงนรกไปเลยชั่วแล้วทําแล้วกับทําต่อแสดงว่าเราไม่มีใจในความเป็นพระ เนื้อบาทที่ห้าอย่างนั้นพิสูจต้องแล้วต้องแสแดงต่อหน้าสงหรือคณะหรือว่าพิสูรูปใดรูปหนึ่งจึงจะพ้นได้ <c oughs> ถ้าเราอยู่เป็นหมู่สงก็ต้องแสแดงต่อหน้าสงอยู่เป็นคณะก็แสแดงคณะคําว่าสง์ในที่นี้ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปคณะก็หมายถึงว่าสองหรือสามองค์หรือว่าถ้าอยู่กันโดยเฉพาะน้อยองค์ถ้าสององค์ก็แสแดงแต่เฉพาะคณะ ที่อยู่เออดรูปที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเราทำความชั่วแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบสภาตาปฏิโยโรเจมิพูดแล้วไม่รู้เรื่องโดยการทำประกาศไปเลยว่าเราไปทำอะไรมาบี้มดตายตัวนี่ลงนรกแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปกล่าวโทษโทษนั้นมันก็ไม่ยังแสแดงเจ้หน้าสงโทษความชั่วนั้นมันไม่คืนกลับมา เป็นในเพียงว่าเราบอกว่านี่เป็นความชั่วตามพระบาลีในการแสดงอ ბ ัตในตอนท้ายได้กล่าวว่าณปุเนวังกริตสามิผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกณปุเนวังพาดิตสามิผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกณปุเนวังจินตยิตสามิผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่ดูคําแสดงอ ბ ัตไม่ใช่บอกเขาแล้วแล้วก็ทําใหม่ต่อไปอีก การให้ปฏิญาณว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่ต้องจาไว้ส่วนใหญ่ผมเห็นเม่พระนี่มักจะลืมสติสัมปชัญญะผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วก็ไม่ค่อยจะจำนี่ก็ต้องรู้ตัวว่าเรามีความเลวเกินพอดีไป คำแนะนําคำสั่งสอนแบบฉบับใดๆที่ก็เตือนแล้วครั้งหนึ่งไม่ควรยังห้เตือนไปวบัรวาระที่สองรล้ว่าการถูกเตือนนั่นมันเป็นอาการสแสดงความเลวของเราอยู่แล้วลเมื่อเราบวชก็ามาต้องการดีก็อย่าคบคำความเลวเข้าไว้ที่ต่อไปตามพระอนวาโกวดัด เพ่งกล่าวว่าการที่พิสุจะต้องบัดนีน้มีอกยางคือต้องด้วยไม่ละอายนี่จะไม่ดีนะการรู้อยู่แล้วรับการตัางเตือนสั่งสอนแล้วพยายามละเมิดแสดงว่าเราไม่อายคนไม่อายนี่ก็ได้ว่าคนใจด้าน หน้าด้านแต่ใจไม่ด้านไม่เป็นไรมีสีขาบทบางสีขาบทเราต้องยอมหน้าด้านแต่ว่าใจไม่ยอมด้านนี่อย่าทำตนเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอับัติเห็นไหมบรรดาท่านเพื่อนพิสูกรู้หรือไม่รู้ก็ตามเช่นเดียวกันกันกบกฎหมาย บวชเข้ามาแล้วต้องเรียกศึกษาความจริงคนจะบวชน่ะตามระเบียบของพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้อยู่ติดทยะปริวาดสามเดือนก่อนก็เป็นการศึกษาพระธรรมบินยัยแต่สามเดือนศึกษาแล้วยังเอาดีไม่ได้ยังไม่ยอมให้บวชต้องอยู่ต่อไปสามเดือน ถ้าครบสามเดือนสองหนเป็นหกเดือนเอาดีไม่ได้ยังไม่บวชต้องอยู่ไปอีกสามเดือนเป็นเก้าเดือนถ้าเก้าเดือนเอาดีไม่ได้ไม่ยาอให้บวชเลยนี่มติของพระพุทธเจ้าที่แนะนำไว้ตามนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเข้ามาบวชบวชแล้วต้อง ก, ก่อนจะบวชต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อน ฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะชีอว่าบอกว่าฉันไม่รู้สิขาบทนี้นี่ไม่ได้เป็นปรับโทษทันทีนี่เรวราเราจับพ้าจัผูก็มาบวชเฉยๆไม่เคารพตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินทาสีโทษมันก็เกิดคือล ง, ล ง, ล ง, ลงนรกแล้วก็อย่าลืมว่าพระเราชอบลงอเวจีไม่เหมือน้าบ้านเขาต่อไปต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำ นี่ไม่แน่ใจว่าการทำอย่างนี้มันจะเป็นการละเมิดวินัยหรือไม่สงสัยถ้าบังเอิญการกระทำอย่างนั้นไม่ต้องอาบัติคือไม่มีโทษตามวิ น, นัยถ้าสงสัยแล้วทำแทนปรับเพราะสงสัยนีต่อไปต้องด้วยสาคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ต่อไีข้อหนึ่งต้องด้ยสาคัญว่าไม่ควรในสิ่งทีควร นี่ควรหรือไม่ควรถ้าสิ่งที่ไม่ควรเราสําคัญมากควรนี่ก็เป็นการละเมิดแสดงว่าเราไม่สนใจในพระวินยัยนี่ต้องดับต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรนี่ก็เหมือนกันแสดงว่าข้อวัดปฏิบัติที่เราบวชเข้ามาเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อความดีมันบวชเพื่อความเลวบวชเพื่ออาศัยมาศาสนาเลี้ยงชีพ เดิมบวชตามระเพณี่จึงไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรเมื่อทําเข้ามันก็ต้องต้องโทษต้องความชั่วชนกับความชั่วเราก็ดีไม่ได้เราชั่วแล้วข้อสุดท้ายต้องได้ลืมสตินี่กรรมการตักเตือนสั่งสอนของครูบาอาจารย์แนะนําไว้ <c oughs> แล้วเราจะไม่ใช้คําว่าลืมไปหรือไป นี่แล้วก็ทางโทษทางพระวิ น, นัยท่านไม่ให้ท่านไม่ยกโทษให้ได้จนอย่าหาทางออกบอกว่าลืมไปเผือไปจำไว้ว่าต้องอาบัติด้วยการลืมสตินี่จริยาใดๆก็ตามที่จะทำไปต้องใช้สติสมัจัญญาควบคุมตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราเป็นปูชนิยบุคคลเป็นบุคคลที่จะบ้านเขาจะต้องกราบไหวบูชา ถ้าเราลืมสติเป็นคนไร้สติเขาเรียกว่าคนบ้าคนบ้าในใครเ้าจะบูชาความบ้าของเราเรานี่จงจำไว้จงจำให้ดีไม่เพื่พูดให้ฟังนี่พูดให้จำถ้าเวลาทิ้งคราววันทั้งสิบห้าคำบางทีบางกาจะสอบถามพระวีในบัญญัติ นี่อยากจะทราบว่าใครจะดีใครจะเลวก็รู้ออกับตรงนี้แหละใครจะดีจะเลวก็จะได้ทราบกันอายุน้อยอายุมากไม่สําคัญจะถือว่าอายุมากแล้วจาอะไรไม่ได้ถ้าจำอาบัตไม่ได้ก็จําความเป็นพระไม่ได้อยู่ทําไมต้องสนใจใอายุมากเท่าไรสนใจให้มากจะได้เป็นที่พึ่งของคนที่มีอายุน้อยมาภายหลัง การบทก่อนจะต้องศึกษาให้เข้าใจชัดทั้งด้านปฏิบัติทั้งด้า น, นวินัยแล้วสถากรรมฐานนี้ศาสนากรรมฐานนี่คนรจะสนใจกันให้มากชาวม่เข้ามาเขาถามจะได้รู้ในอยู่แก่สำนักแต่ว่าใคร่าถามไม่เข้าใจพูดผิดผุดยผิดผิดถูกๆเขาจะหาว่าสำนักนีมันในแนะนำสั่งสอนในความจริงสำนักของเราต้องศึกษากันทั้งวันทั้งสี่เวลา แต่แล้วว่าท่านทั้งหลายใช้หูเนื้อหรือ ว, ว่าหูกะทะใช้ตาเนื้อหรือ ว, ว่าตากระทูใน ต, ตากระทูนี่ตามันมากแต่มันมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> หูกะทะนี่มันมีจริงแต่มันฟังอะไรไม่ได้ยินแต่ความจริงตากระทูหรือหูกะทะนี่มันยังเลวกว่าตาสติเลชานหูสติเลชาน าตาสติฉันหูสติฉันมันยังใช้ประโยชน์ในการมองในการฟังได้แต่ว่าตากระทู้หูกระท่านี่ใช้ประโยชน์ในการมองในการดูการฟังไม่ได้เลยหรือว่าเราจะทำเป็นหูพระหูพระตาพระถ้าหูพระตาพระนี่เขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จําให้ดี จำเข้าไวนะ้นักนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่ากันแนะนําเข้าไว้ตามระเบียบปฏิบัติ <c oughs> นี่เราสอนกันมาในคณะที่ดีๆเขาก็สอนกันแบบนี้นี่ข้อดีพระพุทธเจ้าทรงห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบทสิกขาปรารสบทประวติบทบทที่จะต้องศึกษาที่มาในพระปฏิโมกข์หนึ่งไม่ได้มาในพระปราฏิโมกข์หนึ่ง ที่เระพูดกันไปตอนนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่มาในพระปฏิโมกข์แล้ส่วนที่ไม่ได้มาในพระปฏิโมกจะนำมาแนะนำทีหลังที่สี่ข้ามบทที่มาในพระปฏิโมกมนั้นคือประราชิกสีสังคาริเศสสิบสามอานิยศสองนิสคีปาจิตีสามสิบปาจิตีกา้าิบสองปฏิเทสนยะสี่ เสษขจวัดเจ็ดสิบห้ารวมเป็นสองรอยี่สิบสองรอยี่สิบนี่ที่เราเรียกก็ว่าสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ความจริงสิ่งที่จะกินเราจริงๆนะสองรอยี่สิบนับทั้งอธิกรการอธิบายเรื่องอธิกรณะสมถะแปลอธิกรณ์คือเรื่องที่จเกิดเป็นชื่อของน้กรต่างๆเป็นช่อของอธิกรต่างๆอีกเจ็ดรวมเป็นสองรอยี่สิบเจ็ด เป็นอันว่าวันนี้ขอท่านหลายก็รับฟังกันแต่เพียงว่าคำว่าวินัยและบทเบื้องต้นเท่านั้นเรื <c oughs> ่อนที่ข้าบทต่างๆที่รายะกล่าวกันต่อไปนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเลือีกสี่นาทีนี่เราก็มาขอย้ํากันถึงระเบียบปลักเกณีที่เราจะต้องปฏิบัติเื่าการทาวัดสดมนมีความจาเป็น แล้วการใช้กระแสไฟฟ้าจงอย่าลืมห้ามตามไว้ก่อนไม่ว่าตลอดลืมดับห้ามใช้หม้อไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเตารีบเพราะว่ามีเตรอร์ของเราเล็กถ้าบังเอิญใครไปใช้เข้าละเมิดไม่ดับไฟก็จะต้องให้เสียค่าไฟเดือนนั้นทั้งเดือนทุกองค์จำไว้ถ้าใครละเมิดข้อนี้ก็ถือว่าระเบิดละเมิดระเบียบอีกไหนเป็นการกงเงินโกงเงินโกงสง จำไว้ดีว่าเราไม่มีไฟฟ้าไว้ให้เชาใช้เพื่อต้มน้ำุงข้าวสำหรับคราวา่กระโรดทราบไปด้วยว่าใช้ไม่ได้เพราะเราต้มน้ำุงข้าวก็ดีใช้เตารี่ก็ดีแต่เทาที้ใช้พร้อมๆกันมิเตอร์ของเราไม่พอมันก็จะพังแล้วก็ระเบียบปฏิบัติอีกอันหนึง่งนั่นก็คืออย่าส่งเสียงดังแยกเข้าห้องของบุคคลอื่น จะไปไหนก็ตามต้องบอกลากันก่อนถ้า่าบอกลานี่ถ้าบอกกับผมไม่ได้ก็บอกกับเพื่อนพิสุกก็ได้ต่อไปจะให้มีสมุดไว้จะไปไหนเซ็นไว้ในสมุดแล้วก็ห้ามวานกันมาลาการเซ็นในสมุดอาจจะมีพระเอร์อเนนเป็นเจ้าหน้าที่ไปจำไว้บอกว่าจะไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร่กลับเมื่อไหร่ไปไหนเขียนไว้ ต่างคนต่างเขียนเป็นเลยมือคุณตนเองทั้งนี้เพราะอะไรนี่ไม่ได้เกินพระวินัยพระวินัยท่านบอกบัญญัติไว้อย่างนั้นก็ควรจะทําแล้วการลงสังฆกรรมหนึ่งปีที่มาอยู่ครบถ้าองค์ไหนขาดสังฆกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรไม่แจ้งให้ทราบแต่การแจ้งให้ทราบนี่ต้องเป็นเหตุสมควร ถ้าไม่สมควรแล้วได้ขืนไปหรือแ ม, ม่นอมติแล้วขืนไปแต่ละเมิดวรรณะอย่างนี้การไม่ร่วมสางกรรมสามวาระต่อหนึ่งปีก็ถือว่าท่านอยู่ที่นี่กันไม่ได้นี่เป็นระเบียบที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันในการจะเดินสมารกรมาารมฐานมิปเสนากรรมฐานถือว่าเป็นของสําคัญในสำนักของเรา ถ้าหาว่าท่านไม่มีความต้องการในบทบัญญัติเพีงการที่จะประพฤติสมถาวิปัสนาก็จงหย่าอยู่ที่นี่ที่นี่ต้องการได้คนดีแล้การรับฟังคําแนะนำตักเตือนสั่งสอนนี่ไม่ควรจะให้สอนเมืถึงสามวาระถ้าถึงสามวาระก็ต้องถือว่าท่านไม่พอใจในการอยู่ที่นี่จะต้องนิมนต์กลับหรือว่าท่านกระว้ายก็เชิญกลับ การอดรู้อดวิเศษไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็แบบแผนการจเจริญพัฒนกรมาานมกรมฐ า, านในกรรมฐานสี่สิบกุดีมหาสติปัฏฐานา น, นั้นสวก็ดีต้องศึกษาให้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาถ้าถามอะไรก็คุณจะตอบได้เพราะว่าตำรับตำรามีมิเค่นั้นชาวบ้านเข้ามาทีหลังก็ถามก็ไม่รู้จะพูดอะไร บางทีไม่มีความเข้าใจก็โกหกชาวบ้านส่งนี่เดิมเดิมที่มันมีกันอยู่แล้วเคยปลายกฎมีถึงแม้ในเวลาที่องค์สมเด็ดปจปัญจน า, าสีบรมศาสนารงไปชนอยู่ในสมัยองค์สมเด็จพระบร ม, มครูก็มีพระโรลุทายีเป็นตัวอย่างซึ่งท่านนั้นหลายจะรู้เรื่องราวของท่านในปฐมบัญญัติถวินัย น, นี่นอกากสีขาบทแล้วก็จะเอาปฐมบัญญัติมาอ่านให้ฟัง พระวินัยในชุดนี้ที่จะกล่าวไปจะกล่าวแต่เพียงโดยย่อพอได้ความแต่ว่าเนื้อแท้พระวินัยแล้วบทบัญญัติใดๆก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเราต้องเว้นได้ขาดไม่ใช่หาทางเลี่ยงถ้าหาทางเลี่ยงแล้วก็ไม่ใช่พุทธสาวกถ้าไม่ใช่พุทธสาวกเป็นอะไรก็เป็นพุทธเป็นสาวกของพระเทวทัตกระมังดีไหม อาลเเวลานี้สัญญาณบอกเว็หมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติเรื่องราคุณพระวินัยไว้แต่เพียงเท่านี้ความขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูลผลจงมีเดบันดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายทั้งพระทั้งเลงครว่าตุมบาศุกบสิกา ว, ว่าว่าบังว่าท่านทั้งหลายโดยทุนน่าจะไม่ทำตนฝ่าฝืนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรสรัมมาสัาสมพุทธเจ้าสวัสดี